ทำไมแม้แปาหมานั่นมาไว้กับคนนี่เสียมันเป็นยังไงให้มันไปนอยู่ทำไมหมูมันฝังหูอยู่หลายหนแล้วนะแช่ไม่คิดไม่ได้หรือหมานะ่คนนะ่ะการปฏิบัติสีตะภาวนาเป็นสิ่งที่ที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นใน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 เออแล้วการกานไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัตชีในทูดงข้อข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนคืนแล้วแต่จะตั้งสัจจะวิานไว้กี่คืนที่ไม่นอนแล้วกี่วันมีท่านบอกว่าเนสัตชิทูดงไม่นอนถ้ามสูงกระ น, นิณิสัยตัวเองมันก็ได้ผลแล้วก็สืบต่อไปเรื่อย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 เวทนามันเกิดขึ้นเหมือนกับดับแล้วก็มาดับที่ ท, ที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันนันสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นมีอะไรเป็นค่าสึกต่อกันนี่เรียกว่าอา ญ, ญาสัตว์จริงสำหรับอสัต์จังทุกขังอา ญ, ญาจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึง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 เต็มที่แล้วก็สังหารสมุไทยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุไทยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วย น, น่่นใช่ไหมวกมสมบูรณ์เมื่อทุกสมุไทยมันดับลงไปแล้วนิโรธกำมกักเพราะอำนาจของนิโรธกำมกักเป็นผู้ทำงาน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 ทำเครื่องขัดกราวกิเลสต้งสงตองซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลยครับสันเลขข่การทฟั ง, งดอูอปิชาตามัมีความมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยทีวารบินสบัดเอนาสนะที่ลานะเภสัตยาแก้โรคแก้ไขเหล่านี้ให้เรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชี้ให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัด ร, รักษา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 คือชอบวิเวกสงดไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันชอบในที่สงบวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงดวิริยาลัมพาระกอบแต่ความภาคเพียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอาสังจากคนิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้ผู้เดียวกับความเพียร น, นี้เท่านั้นทั้งที่นี่ละชันเลกะร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 คนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั้นสิเขาจึงจะมาแก้กิเลสได้ ะ, ะการแก้กิเลสไม่มีเหตุมีผลแก้มไม่ได้นะฮะพิจารณาใช่เวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อด้นดนดานๆ น, น, นะเนี่ยสําคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วรู้มันทั้งทังที่มันดื้อดือดืทั้งทั้งรู้อยู่นี่นะ่ะมันจะแก้กันได้ยังแล้ว